นโบตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพ <vine gary> <risque> ุทธัสสะนโบตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโบตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจเรื่องหนึ่งวันนี้เออ ชื่อว่าทาวิภาวะคําว่าทาวิภาวะหมายความว่าสภาวะสองอย่างที่จะต้องทําความเข้าใจให้มันเกิดความรู้ไว้เป็นประจําสม่สําเสมอเพื่อความไม่โง่ทวิภาวะคืออะไรบ้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพึงรู้ว่ามีสิ่งซึ่งตรงกันข้ามเกิดขึ้นด้วยสเสมอ อะไระเข้าใจะวะมันมันมีสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเรียกว่าเอากภาวะหนึ่งภาวะแล้วใช่ไหมให้พึงรู้ว่าเมื่อใจเราเข้าไปประจักษ์ต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นหนึ่งอย่างนั้นให้เข้าใจสเสมอว่ามีภาวะที่ตรงกันข้ามต่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นด้วยสเสมอเมื่อมีสภาวะที่พบเกิดขึ้น อะไรที่จะเกิดขึ้นด้วยเสมอคือจากเมื่อมีสภาวะที่เกิดเกิดขึ้นให้พึงรู้ไว้เสมอว่ามีอะไรที่เกิดขึ้นด้วยตายเมื่อมีสภาวะที่ว่ามีเกิดขึ้นอะไรที่จะเกิดขึ้นด้วยเสมอไม่มีเมื่อมีสภาวะที่เห็นเกิดขึ้นอะไรที่มันจะเกิดขึ้นด้วยเสมอหาย แต่เห็นแล้วก็มีหายแลย้วใช่มมันมีสิ่งซึ่งตรงกันข้ามเกิดขึ้นด้วยสบเบออย่างนี้เป็นตัวที่จะทาให้เราไม่โง่เรียกว่าเรามีทวิภาวะภาวะสองอย่างถ้าว่าเราเห็นแต่มันเกิดเห็นแต่มันมีเห็นแต่มันเจอเห็นแต่มันพบเห็นแต่มันได้มันก็จะ ยิ่งสร้างอำนาจของอุปาทานคือความไปยึดมั่นถือมั่นคาดหมายในสิ่งที่เกิดในสิ่งที่เจอในสิ่งที่มีในสิ่งที่ได้ให้มันเป็นของเราตัวเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ในความเป็นจริงมันมีสิ่งซึ่งตรงกันข้ามเกิดขึ้นด้วยมาตั้งแต่มันเกิดแล้วใช่ไหมเออทำให้ อุปทานที่เรามีอยู่มันเป็นเพียงแค่มายาเพียนเพียงแค่มายาที่จะหลอกเราให้มองไม่เห็นสิ่งซึ่งตรงกันข้ามเพราะสิ่งซึ่งตรงกันข้ามเกิดขึ้นหรือมันกําลังจะเกิดขึ้นเป็นไงรับไม่ได้ทั้งๆที่มันเป็นเรื่องจริงทงั้งๆที่มันเป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้น ต้องสร้างทวิภาวะให้มันมีอยู่ด้วยกันสเสมอพอพอเราเข้าไปเกี่ยวพันตามฐานะต่างๆเราก็ทำเต็มที่ทำเต็มที่ในตามฐานะนั้นๆอย่างดีตามกฎระเบียบกฎเกณฑ์ของโลกที่มันเป็นไปอย่างถูกต้องสุจริตงดงามก็ทำไปแต่อีกภาวะหนึ่งเราต้องรู้กำกับอยู่ด้วยสเสมอ เพื่อกันเรากันใจของเราไม่ให้มันหลงไปจนลืมความเป็นจริงตัวนี้ถ้ามันมีปทาวิภาวะประคองจิตไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันง่ายมันง่ายต่ออะไรรู้ไหมมันง่ายต่อการที่จะเข้าไปรู้จริงเห็นจริงของสิ่งที่ปรากฏโดยเฉพาะตัวของเราเองรูปนามกายใจหรือขันหา เพราะการทำทวิภาวะการมีความรู้ตัวนี้แล้วเนี่ยมันทำให้ใจเรายอมรับเข้าไปแล้ว ม, มันก็ง่ายต่อการที่จะมาสร้างความตั้งมั่นให้กับจิตเวลาเราสร้างความตั้งมั่นให้กับจิตเราจะต้องทำยังไงมันก็ต้องดึงจิตออกมาจากทุกๆเรื่องอะดึงจิตออกมาจากทุกๆอย่างเพื่อให้มันไปอยู่ที่อย่างเดียว เรียกว่าเอกะขะตารมและอย่างเดียวว่นนั้นเป็นอื่นไม่ได้ด้วยมันจะต้องเป็นอะไรเป็นสิ่งที่ถูกสมมุติว่าเป็นตัวเราคือกายและใจเขาเป็นอยู่อย่างธรรมชาติกายมันก็เป็นอยู่ก็มันตามธรรมชาติเราก็เอาจิตที่ไปยุ่งเกี่ยวอยู่กับสิ่งอื่นให้มาอยู่กับกายอย่างธรรมชาติอันนั้นเป็นเอกะขะตาลม ให้อยู่เป็นอารมณ์เดียวทีนี้การการทำอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงให้ความสําคัญว่าสมาติงพิกขเวภาเวถาว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงจะเริญสมาธิกันเถอะสุสมาฮิโตพิกขเวพิกขุยัทาภูตังประชานาติเพราะว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีจิตที่ตั้งมั่นดีแล้ว จะย่อมรู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงกินจะพิกขเวยถยา่าภูตังปชานาติภิกษุทั้งหลายรู้อะไรเล่าจึงชื่อว่ารู้ตามความเป็นจริงก็คือรู้ในขันธ์ทางหน้าตามความเป็นจริงรู้ในขันธ์งาความเป็นจริงคือรู้ขันธ์ทางหน้าคืออะไรรูปนามกายใจ รูปรู้ตามรูปตามความเป็นจริงรูนามตามความเป็นจริงเราต้องรู้อะไรก่อนเราต้องรู้อะไรก่อนฮะต้องรู้รูปถูกไหมรู้รูปก่อนเพราะอะไรเพราะรูปเกิดก่อนนามกายมันเกิดก่อนใจเล ใจมันอาศัยกายนะกายมันเลยเกิดก่อนแลวรูปมันเป็นสิ่งที่รู้ง่ายแต่ว่าเอาดูที่รู้ตามความเป็นจริงคือรู้อย่างไรที่ตามความเป็นจริงรู้ตามความเป็นจริงคือรู้อย่างไรอ่ารู้ตามความเป็นจริงก็คือว่า รู้ว่ามันมีความเป็นจริงอย่างไรความเป็นจริงของมันนะมันไม่ใช่ความเป็นจริงในสิ่งที่เราอยากให้มันเป็นไอความเป็นจริงในสิ่งที่เราอยากให้มันเป็นน่มันไม่ใช่ความเป็นจริงรู้ตามความเป็นจริงก็คือรู้ในสิ่งที่มันเป็นตามความเป็นจริงของมันไม่ใช่ของเรารูปตามความเป็นจริงท่านเรียกว่ารูปปัจมัชคือได้ยินไหม นามตามความเป็นจริงเขาเรียกว่านามปรมัตาร์รู้รูปตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงของรูปเป็นยังไงเนี่ยก <s ays> ารที่เราจะรู้รูปตามความเป็นจริงได้เราจะต้องรู้ยังไงมันจะถึงเห็นตามความเป็นจริงเราก็ต้องรู้ในความเป็นจริงของรูปอ่ะเราก็จะต้องหัดศึกษาเรียนรู้กายของตัวเองตามความเป็นจริง ว่ามันประกอบด้วยอะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรประกอบด้วยอย่างอะไรเป็นไปอย่างไรและมีความเป็นจริงอย่างไรตามความเป็นจริงในตอนที่เรียนเนี่ยก็ต้องเรียนตามความเป็นจริงแล้วนะไม่ใช่เรียนไปตามที่ใจอยากจะเป็นแบบแบบที่เราไปเรียนเออจมูกมันแฟบลงไปหน่อยต้องเอาอะไรมาเสริมทึบไปนิดนึงไอ้อย่างนี้ใช่ปะเรียน ตามสิ่งที่เราอยากให้มันเป็นยังไม่ใช่ตามความเป็นจริงอ้นนั้นตามความเป็นจริงที่เราอยากให้มันเป็นแต่เรียนตามความเป็นจริงของมันก็คือว่ามันลึกไปกว่านั้นว่าเออมันประกอบด้วยอะไระกายหรือรูปของเรามันประกอบด้วยอะไรธาตุสีเราวิธีการเรียนตามความเป็นจริงนี้เราต้องเรียนตามแนวของใคร ต้องแนพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะอย่ามาเรียนตามแนวพระอาจารย์ทุชีพไม่ได้นะต้องพระพุทธเจ้าเท่านั้นแล้วไปเที่ยวเล่นแผลงแๆทาอย่างโน้อนอย่างนี้กับของพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ด้วยที่ยวเอานั่นมาเติมเอานี่มาใส่เอานั้นมาใช้เรียกว่าไปประทุสไร้ทําให้เราผู้เรียนไม่ได้โอกาส ตรงต่อคําสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าทุตประทุสร้ายคำสอนของพระพุทธเจ้าทําแผลงแผลงอ่ะไม่ได้มันไปปิดกั้นเขาไม่้เขาได้ตรงกับพระพุทธเจ้าแล้วจะเอาตามพระชาจารดูชีบอย่างนี้ไม่ได้ต้องตรงองพระเจ้านะเพราะพระเจ้าแสดงไว้ไงชัดเจนหมดสิ่งที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้นั้นไม่มีสิ่งใดที่จะมาหักล้างว่ามันไม่ใช่ความจริงไม่มีมันจริงหมดแล้ว แต่ไอัที่มันต้องมาหักล้างกันเนี่ยมันเป็นของแผลงแผลงที่ตามเข้ามาทีหลังไปใส่ไว้ในของพระพุทเจ้าเด็กบโอ้ยนันไม่ใช่หรอกนะเนี่ไม่ใช่หรอกไม่ใช่แต่ของพระพุทเจ้าดิไม่มีใครกล้าหักล้างจริงหมดเพราะมันคืออะไรมันคือความจริงเออเพราะมันเป็นสัจจะอ่มันเป็นความจริงอันสิ่งที่พระเจ้าสอนว่าเมื่อมีใจตั้งมั่นแล้วเนี่ยรู้ จะรู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงเมื heart, ่อมีใจตั้งมั่นแล้วจะรู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงที่มันเป็นใจที่ตั้งมั่นทำไมจริงต้องรู้ตามความเป็นจริงมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องเข้าไปรู้ตามความเป็นจริงแต่คุณสสมบัติของใจที่ตั้งมั่นเขาจะรู้ตามความเป็นจริงเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีอคติ ใจที่ตั้งมั่นนั้นจะนิ่งแน่แนวมั่นคงสงบผองใสเพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีอคติกับสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้ามันเลยเห็นสิ่งที่ปรากฏนั้นตามความเป็นจริงของมันซื่อๆตรงๆตามความเป็นจริงแต่ถ้าแต่ถ้าใจไม่ตั้งมั่นดีถ้าใจไม่ตั้งมั่นดีเราจะไม่เห็นไห ม, ไมเห็น เห็นเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยกล้าบอกว่าตัวเองตั้งมั่นแล้วไม่กล้าแต่ทําไมถึงเห็นเพราะมันเห็นเหมือนกันแต่มันมีอคติอยู่ใช่ไหมอาจารย์ชั้นอาจารย์ชั้นนะมันมีอคติอยู่ใจที่ตั้งมั่นดีแล้วจึงเป็นใจที่จะต้องเป็นไงพัฒนาให้เกิดขึ้นพระเจ้าจึงตรัดเหมือนบาลีที่ยกมาตอนต้นว่า สมาธิพิกเวพาเวธาจงจะเริยนสมาธิกันเถิดสมาธินั่นแหละที่จะนำใจของเราพาเข้าพาใจของเราเข้าไปสู่ความตั้งมัน่นแล้วเวลาใจมันตั้งมัน่นเวลาไปเห็นสิ่งที่ปรากฏเฉพาะหน้าตามความเป็นจริงมันเห็นด้วยใจอะไรใจที่ตั้งมั่นนิดเดียวมันเห็นด้วยใจนิดเดียวแต่มันจะต้องอาศัยพลังความตั้งมั่นเยอะมาก แต่เวลามาจะดูมาจะรู้มาจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงมันเห็นนิดเดียวเพราะสิ่งที่มันเป็นจริงมันไม่ต้องไปเมคไม่ต้องไปเที่ยวอแอบอ้างไม่ต้องไปเที่ยวไปปรุงไปแต่งอะไรมันเป็นจริงอย่างไรก็เห็นอย่างนั้นมันจึงเห็นตรงๆ ง, ง, ง่ายๆนิดเดียวเพราะนั้นสมาธิหรือความตั้งมั่นของใจที่จะมองเห็นสิ่งตามความเป็นจริงเขาเรียกว่าคณิกะสมาธิเคยยินไม่มเคยยินใช่ไหม เรียกขันนิการสมาธิแต่มันไม่ใช่ว่านั่งเล่นไพ่อยู่กินเหล้ามองหัวราน้ํามอยู่ไอ้กินเหล้าจับแก้วเหล้าขึ้นมาใส่ปากใช้สมาธิไหมใช่นะถ้ามันไม่มีสมาธิมันจับแก้วไม่ถูกนะที่มันจับแก้วถูกว่ามันมีคณิการสมาธิอยู่นะแล้วเราจะมาอ้างบอกว่า สมาธิไม่ต้องไปทําไม่ต้องไปบาเพ็ญไม่ต้องไปสั่งสมไม่ต้องไปปฏิบัติหรอกเพราะแค่ขณนิกะสมาธิก็ได้วิปัสสนาญาณแล้วเคยได้ยินไหมคำพูดแบบนี้ไอ้คำพูดอย่างเงี้ยมันใช่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันไปประทุษร้ายคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าสมาธิงพิกเวพาเวทะพวกเธอจงจะเริญสมาธิกันเถอะ สมาฮิโตภิกเวภิกขุยถาภูตังาชานาติเพราะการอบรมสมาธินั้นจะให้จิตตั้งมั่นดีเมื่อจิตตั้งมั่นดีแล้วจะได้รู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงเห็นไหมไอตอนที่รู้นะ่ะมันอาศัยสมาธินิดเดียวแต่เราจะต้องมีพลังของสมาธิคือจนถึงขั้นความตั้งมั่นก่อนเจะยกตัวอย่างว่ามีของราคาบาทห้าสิบมันขายอยู่ที่จังหวัดลำปาง ราคาบาทหนสบนะมันขายอยู่ที่จังหวัดลำปางไปวันอยู่ไหน <S <S อยู่รังสิตเหรอจ๊ะมีเงินบาทหน้าสิบไหมอไป <S <S ไปไปซื้อของที่จังหวัดลำปางเอาบาทหน้สิบนะซื้อได้ไหมไม่ได้แม้นว่ามันราคาบาทหนสิบแต่เราจะต้องมีเงินเยอะมาก เข้าใจไหมกว่าเราจะไปลำปางและซื้อของราคาบาหน้าสิบนั้นน่ะก็จะยังเพราะใครก็ตามที่ไม่ปฏิบัติไม่ภาวนาไม่เคยเห็นภาวะแบบนี้ก็มักจะนิยมใช้คำพูดง่ายๆคือคือเหมือนกับเอาคำพูดของพระพุทธเจ้าที่ตัวเองไม่เข้าใจแล้วไปทำร้ายคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกทีหนึง่งบอกเรื่องคดิกะสมาธินี่ตมาได้ยินหลายทีแล้วบอกว่า การปฏิบัตินั้นใช้แค่ขั้นิกาสมาธิเพื่อเข้าไปจะเริญวิปัสนาญาณมันจะทำสมาธิกันทำไมไม่เห็นจะต้องไปนั่งทำทำไมให้มันเสียเวลาเวลาเลยใช้แค่ขันิกาสมาธิก็ได้วิปัสนาญาณแล้วเข้าใจไหมเข้าใจตรงนี้ยังว่าทำไมเราจะต้องทำสมาธิออม เข้าใจั้ยเพราะเราต้องอาศัยความตั้งมั่นอย่างดีของจิตไม่เช่นนั้นเราก็จะไปปฏิทุทร้ายไปคัดค้านคำสอนของรู้เจ้าของเราเองโดยไม่รู้ตัวเพราะว่ามันบอกท่านมีคำว่าเวลาเราจะเลืนไมปัสัสนาหรือทำมณสิการ มานัิการพิจารณาร่างกายเราใช้แค่คัิกาสมาธิไปทําอัปปนาสมาธิคือเอากําลังของฌานมาพิจารณามันเป็นไปไม่ได้เพราะฌานก็อยู่ในเอกขตารม์ก็อยู่ในอารมณ์อันเดียวมันเป็นความแน่วแน่ตั้งมั่นของจิตอย่างนั้นเวลาเราจะเอาอารมณ์ของฌานมาพิจารณากายมันเป็นไปไม่ได้เพราะจิตมันจะเสวยสองอารมณ์ไม่ได้มันก็ต้องออกจากฌานมาก่อนการออกจาก จชานออกจากสมาธิมาออกจากอุปจาระออกจากอนปนานามาจิตมันก็ตั้งมัน่นอยู่ตรงไหนอยู่ตรงคณิกะน่มันเป็นคณิกะสมาธิของผู้ที่เป็นสุสมาหิโตเป็นคณิกะสมาธิของผู้ที่มีจิตที่ตั้งมั่นดีแล้วมันไม่ใช่คณิกะสมาธิของขี้มอ แต่บางครั้งเนี่ยในเรื่องเรื่องนี้มันจะมีลึกลึกซึ้งลงไปหน่อยว่าเนื่องจากเราเวียนว่ายตายเกิดในสงสารวัตนี้เยอะมากการฝึกฝนอบรมการเรียนรู้ของจิตมันเดินทางมานานอย่างบางคนเมาอยู่มันก็ได้น ะ, อะเออฝากให้ไปอ่านเรื่องสันตติมหามากไปปราบกบฏ แล้วได้รับรางวัลว่าให้เป็นพระราชาเจ็ดวันคือว่าให้สวยสมบัติพระราชายกอำนาจให้เลยว่าให้เออให้เอ็งสวยความสุขในฐานะที่เป็นกษัตริย์เจ็ดวันทําไมบ้างแกก็นั่งกินเหล้าเมาธุรานารีแล้วก็มีนางรําที่ตัวเองชอบคนหนึ่งกําลังเมาเร่งๆวันที่เจ็ดแล้วกินเมาเจ็วันนั่นนะวันที่นางรําคนนี้ตัวเองรักมากชอบมากแล้วกับคนที่เป็นนางรําเนี่ย สมัยก่อนไม่ใช่เหมือนสมัยนี้พอๆกันมั่งสมัยนี้สมัยนี้มันอาศัยอะไรยาลดความอ้วนใช่ไหม ย, ยาลดความอ้วนการเสริมการแต่งการรอยไหมอะไรกะที่สมัยก่อนไม่มีสมัยนี้มันมีรอยไหมดึงจีดอะไรนะฟิลเลอร์อะไรกะอะโบทอกแล้วก็ศึกษาอีกเยอะแยะมากมายเครื่องเข้ามาประกอบ เพื่อให้มันเกิดคำว่าดูดีแต่สมัยก่อนไม่มีมันจึงหนักอะ่ะโอ้โต้องหนีบเท้าที่ต้องบีบวเนี้ยต้องมีล็อกมาบีบไว้อะไรแช่มือก็ต้องแช่น้ํานมเออเวลาจะเรสมมตเวลากินข้าวก็กินข้าวมือนี้มือนี้ก็ต้องแช่นมไว้พอ ก, กินพอจะใช้มือข้างนี้พอจะใช้มือข้างนี้นะมือนี้ก็แช่ไว้ต่อใช่ โอ้โทรมานมากเพื่อที่จะให้มามีความเป็นหนึ่งไอ้นางรำต้องไปกอดเพราะฉะนั้นกินข้าวเนี่ยนอกจากไม่กินแ้วนะกินทีละนิดทีละนิดแล้วก็ท้องนี่ต้องแอมไว้ตลอดเวลาไม่งั้นมันเขาเรียกว่ามันเคลื่อนไหวร่างกายให้ออนอ่อนไม่ได้ไงนี่นางรำคนนี้ก็รามาเจ็ดวันแล้วแต่มานาสติมันชอบมาก มันดำไปรำมามันจักดิ้นจักห่อตายอยู่ตรงหน้านั่นเต่เกิดความทุกข์มากสางเมาเลยพระพุทธเจ้าเลยมาเทศนอให้ฟังใช้คาริกะสมาธิบรรลุได้แต่เอามายกตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้ไม่ได้ต้องยืมตน้นใครเทศใครเทศใครเทศไปกันเออ เพราะนั่นพระผู้แตเจ้าเป็นคนเทศด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อาตมาไปเทศนะพระพเจ้าไปเทศเนี่ยมันเหมือนกับอะไรมันเหมือนกับนาย น, นายช่างผู้ชำนาญไปจับไม้และเครื่องมือเพื่อที่จะมาแปรรูปอ่ะนายช่างผู้ชำนาญมีประสบการณ์สูงสุดมาก็ทุกอย่างมันเหมาะเจาะไปหมด mm. เห็นปั๊บรู้เลยว่าต้องใช้ สิวหน้าไหนต้องแต่งตรงไหนต้องกดแรงเท่าไหร่จะต้องบากมากขนาดไหนทุกอย่างมันลงตัวหมดอ่ะจก็ได้สิใช่ป่าวเออ <c oughs> เพราะฉะนั้นต้องใครที่มันมีความคิดแบบแค่คันิกะสมาธิก็พอแล้วไม่ต้องใช้ไม่ต้องทำอบรมสมาธินะ่ะให้เลิกความคิดแบบนี้นะ่ะ มันไปเปดเป็นปานปททุสร้คำสอนของพระพุทธเจ้าโดยไม่ได้ตั้งใจมันเป็นบาปเป็นเวร น, นะมันมองไม่พอนะคือจริงๆถ้าเรานั่งคิดกันโดยเฉพาะที่ธรมากาลังนั่งพูดอยู่เราก็นั่งฟังอยู่ถ้าเรานั่งคิดถ้าเราคิดมันเข้าใจไหมอย่างทวิภาวะมีเกิดแล้วมันต้องมีตายมีมีพบมันก็ต้องมีจ่ามีพบมันต้องมีพรา มีเจอมันก็ต้องมีจากมันรู้กันหมดเราคิดได้แต่ให้เกิดความรู้และความเข้าใจถึงขนาดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางจิตมันไม่พออะไรไม่พอความเห็นที่จะทำไม่เกิดความรู้เนี่ยมันไม่พออะไรที่ไม่พอคือสมาธิมันไม่พอมันจึงเกิดความประจักษ์ไม่ได้ ท่านหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยอยมอย่าเผลอไปเที่ยวพูดจามินประมาทท่านเด็ดขาดนะเพราะเวลาท่านพูดคําพูดท่านแต่ละคํามันออกมาจากสมาธิที่เยอะท่า น, นการยังรู้ในสิ่งที่ท่านพูดกับการรับรู้ในสิ่งที่เราฟังต่างกันไห ม, ไมเออเหมือนพ่อแม่ บอกลูกน้อยว่าตะเกียงเนี่ยมันร้อนนะลูกไฟเนี่ยมันร้อนนะอย่านะอย่านะอย่าเด็ดขาดนะคือคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยจะไม่มีวันที่จะเอามือไปจับไฟที่ที่ตะเกียงเด็ดขาดเลยเพราะรู้อย่างแจ่มชัดแล้วว่ามันร้อนมันไหม้มือแล้วเป็นอย่างไรอย่างไรแล้วบอกลูกอย่าเด็ดขาดนะลูกอย่าเอามือไปแตะไฟที่ตะเกียงนี่นะ ถ้าลูกออกไฟแตะที่เอามือไปแตะไฟที่ตะเกียงนี่เมื่อใดแล้วเมื่อนั้นลูกจะร้อนนะลูกรู้ไหมรู้ครับพอพ่อแม่เลอไปไงจับใช่ไหมรียบร้อยเหมือนเราเหมือนกันจงสำนึกไว้สเสมอนะเวลาไปฟังคำพูดของครูบาอาจารย์จะอ่านหนังสือฟังซีดีฟังอะไรก็ตามในตทรทัศน์ทีทวีอ่ะ หลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ที่ท่านบวชตั้งแต่สามเณรแล้วบางองท่านบวชไม่รู้กี่ป๊บกี่ชาติมาแล้วบำเพ็ญบารมีมาแล้วท่านเป็นพระหลวงตาบ้านนอกปฏิบัติปฏิบัติมาจนก็เกิดเป็นคำพูดสั้นๆง่ายๆเหมือนหลวงปู่บางองก็ถามหลวงปู่หลวงปพุโทโธไปนิพพานได้ไหมหลวงปู่ตอบว่าไง พุทโธไปนิพานไม่ได้หรอกเพราะนิพานมันเป็นของแค่พอดีตัวอะไรก็เอาเข้าไปไม่ได้เสื้อผ้าก็ออกเข้าไปไม่ได้บุญบาปก็เข้าไปไม่ได้เหตุผลก็เข้าไปไม่ได้อะไรก็เข้าไปไม่ได้พุทโธเข้าไปไม่ได้แต่เราต้องงาศัยพุทโธไปนิพานเออหลวงปู่ตอบเนี่ยเรากล้าไหมกล้าไปจะไปวิจารณ์ท่านว่าเออท่านก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากนะแต่คําพูดมันออกมาจากอะไร ความตั้งมั่นของจิตที่เราไม่อาจจะไปเทียบเท่าทัานใดและความตั้งมั่นนี้ได้จากอะไรได้จากการทําสมาธิมาอย่างต่อเนื่องนี่โปดจำไว้มันไม่ได้มาจากการคิดนะถ้าความตั้งมั่นมาจากการคิดพวกเรียนแพทย์เรียนวิศวะ มันตั้งมั่นหมดแล้วเพราะมันคิดวันๆปวดหัวหมดเลยมันยากพวกที่ใชายละการคิดเยอะๆมันตั้งมั่นหมดแล้วแหละแต่ความตั้งมั่นนี้มันมาจากการทำสมาธิคนที่ทำการวิจัยศึกษาค้นคว้าจนได้ความรู้นี้มาคือใครพระพุทธเจ้าผู้เดียวในโลกเมื่อได้แล้วไม่ใช่ได้อย่างเดียวนะพระพุทธเจ้า่ ไม่ใช่ว่าท่านทำได้อย่างเดียวแล้วจะจบแค่นั้นนอกจากท่านได้แล้วท่านยังเข้าใจวิธีวิธีการที่จะทำให้ได้ด้วยอย่างละเอียดทุกๆุกวิธีที่เขาทำทำกันมาแต่เก่าก่อนนั้นพระเจ้าทำมาหมดและรู้ว่าทางใดที่จะทำให้เข้าถึงความตั้งมั่นของจิตที่ดีนีที่เรียกว่าความตั้งมั่นของจิตเนี่ย ท่านนั้นท่านสอนไว้หมดเลยไม่ต้องไปคิดใหม่ไม่ต้องไปคิดใหม่มหมท่านสอนไว้หมดแล้วไม่จําเป็นที่จะต้องไปคิดอะไรใหม่อีกเลยเรานี่เรียกว่าเป็นผู้สเสวยเหมือนกับพ่อแม่สร้างบ้านไว้ให้หลังหนึ่งอะ่ะเดินก็ไปไปไงเกิดมาถึงไปไงนอนดิ้นอยู่บนฟูกแล้วคือไม่ต้องทําอะไรเลยทุกอย่างสเสวยสุขอยู่บนการตรัสรู้ของพระพูทเเจ้าอย่างเดียวเพราะฉะนั้นไม่ต้องบังอาจ ไปคิดไปดิเริ่มไปทําอะไรให้ใหม่ๆไปกระแทกกระทันคําสอนของพระพุทธเจ้าให้มันเสียหายอย่างนี้ก็เรียกว่าตรงตรงต่อคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วถ้าตรงต่อคําสอนของพระเจ้ามันก็จะได้เป็นลําดับเป็นผลของการปฏิบัตินั้นๆง่ายๆมันไม่ได้ยากเย็นอะไร <c oughs> เราแค่แค่อาศัยอะไรทีนี้ เราคอาศัยอะไรอาศัยความเพียรมันยากกวตรงนี้แหละใช่ไหมมันก็แก่อาศัยความเพี ย, <c oughs> ยรนน ค, ย ค, ยนคนที่ไม่อาศัยความเพียรแล้วก็เห็นว่าไม่รู้ไม่เห็นคุณค่าของความเพียรและยังไม่เห็นผลของความตั้งมั่นของจิตอ่ะมักจะคิดเอาทางตักกะเอาทางปรัชญามาใช้เอาเหตุผลมาใช้ แล้วก็สรุปเอาง่ายๆ่โอ๊ยไปทํางงททอย่างนั้นทําไมไปทําอย่างนี้ทําไมบางทีเราก็ไปอาศัยวิธีการเขาเรียกว่าอะไรจินตลีลานี่ขออภัยด้วยนะไม่ได้ว่าใครนะแต่ว่าเอาพระพุทธเจ้าเป็นหลักก่อนเรียกว่าจินตลีลาคืออาศัยเทคนิคอาศัยวิธีการอาศัยอย่างนั้นอาศัยทําอย่างโน้นอย่าง น, น, างนี้แล้วจะไปรวมเรียกสมมติเราเรียกว่าอาณาปานสติ สมมติว่าสิ่งที่พระเจ้าสอนถึงว่ารู้ลมหายใจรู้ลมหายใจก็คือรู้ลมหายใจสิเรียกว่าอาณาปานสติแต่เราพยายามทำอาณาปานสติออกนอกเรื่องของพระพุทธเจ้าคือเอาสิ่งอื่นสิ่งต่างๆแผลงเข้ามาแปะอยู่กับอาณาปานสติแล้วเรียกว่าอาณาปานสติคนก็ชอบยืนแอนหน้าแอนข้างแอนลังกม้ม อะไรเนี่ยแว่งไปโน่นทําไปเนี่ยคือเอาสิ่งเข้ามาเอาสิ่งแผลงแผลงเข้ามาปฏทุสรายอาณาก็พูดอย่างนี้เดียกว่ามาปฏทุสรายอาณาคนเลยทําอาณากาันไปไม่ถึงไหนไปไม่เป็นพอจะทําอาณาทีหนึ่งมันจะต้องไปเอานู่นเอานี่เอานัาน่นเอานูาน่นเอาน่า น, เ, น, นเพราะว่าอาจารย์เยอะนี่เรียกว่าแผลแผลงก็มามาปฏทุสรายอาณา เวลาทำไปจริงๆเวลามันจะเกิดเป็นอนาเราสังเกตไหมว่าทุกอย่างมันหายไปมันเหลือแต่จิตที่รู้กัรลมหายใจซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้เท่านั้นอ่ะแล้วเราก็ไม่ยอมเราก็ไม่ยอมเราก็พยายามที่จะเอาสิ่งอื่นเข้ามาเอาสิ่งน้นเข้ามาเอาสิ่งน้นเข้ามาแล้วจิตที่รู้ต่อลมหายใจมันยังไปรู้น้นรู้นี่ มันยังต้องมีคําถามไอ้คนที่มีคําถามว่ามันไปเห็นตรงนั้นดูตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นแล้วจะต้องทํำยังไงเพราะมันยังวงในสิ่งนั้นอยู่มันยังห่วงในสิ่งนั้นอยู่มันยังไม่ตรงต่ออานาของตัวเองมันไม่ตรงต่อลมหายใจมีไอ้คนสอนบางที่ท่านก็อาศัยเทคนิคเหล่านี้เอามาใส่ข้าวพอใส่ข้ามันแป๊ บ, แ ป, บแป๊บเดียวโอ้ยไปนั่งกับหลวงพอ่อทุจีิ ครึ่งเจ้าบงปวดหลังเกือบตายไปนั่งอยู่กับอาจารย์โนนสองชั่วโมงแป๊บเดียวเพราะว่าอะไรมันมีเรื่องเยอะไงต้องทำอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องยกโนนมาเนี่ามาเห็นความเป็นเอ ก, กขะตาจิตไหมจิตต้องอยู่กี่อารมณ์ฮะและถ้าเราไปทำแผลงแผลงใส่อาณามันจะต้องอยู่กี่อารมณ์เหลอเยอะนะ มากกว่าสามเลยนเยอะอารมณ์มากมากนะรู้ไว้เสร็จแล้วเป็นไงเคยถามตัวเองไม่พอลุกออกไปความโลภยังเท่าเดิม <c oughs> ความเห็นแก่ตัวมากกว่าเดิม <c oughs> บางที่เนี่ยไม่ควรพูดเล่าไว้ฟังดีกว่าอย่าพูดเลย <c oughs> บางที่ไปถึงอย่างพุ่มากันเยอะๆยงเงีย้ย นี่เขาเจ้าภาพน่นเขาเจ้าภาพน่นเขาเจ้าภาพนี่เขาเจ้าภาพเจ้าภาพตีกันเองอะ่ะมันไม่ได้ตีกันด้วยมือไม้หรอกนะมันตีกันด้วยสายตาเว้ยเอาพระนั่งฉันอยู่อะ่ะขึ้นไปถึงเลยนะเนีอ๊ะทำไมไม่ฉันของเราฉันแต่ของคนนั้นอันนี้เขาเรียกอะไรเขาเรียกอัศมิมานะหยาบมาก ชั่วโมงการนั่งสมาธินั่งมาเท่าไหร่แล้วตั้งแต่เกิดมาจําความได้มาจนถึงวันนี้นั่งมาเท่าไหร่แล้ว <c ười> บางคนนั่งมาจนก้นน่าแล้ว <c ười> แค่พระฉันของตัวเองน้อยอี่ทำไมหลวงพ่อฉันของเราหน่อยจังเสร็จเลยหรือมาถึงเขาวากดไว้อยา่ยางนั้นกฎว่าอย่างนี้กดไว้อยา่างนโอยเรามันระดับเศรษฐีอ่ะ thấy, อยู่แถวหน้า เราระดับพออเราระดับนั้นระดับนี่ระดับโน้นอย่างลรามันต้องเดินตามหลังมามาต้องต า, ตามกดตามหลังไอ้คนนี้โอ๊ยไม่เอาอะเรามันระดับไหนครับอย่เงี้ยนี่อาสมิมานะทางนั้นหยาบไหมหยบตัวนี้มันต้องละด้วยอะไรถามว่าไอ้คนที่พูดอย่างนี้รู้ไหมว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรู้บ่ารู้ รู้แต่ความตั้งมั่นของจิตต่อความรู้นั้นไม่พอไม่พอที่จะทำให้การละอย่างนั้นอย่างนั้นเกิดขึ้นได้นันอย่าไปดื้อกับพระพุทธเจ้าเชื่อเถอะไปดื้อกับพระพุทธเจ้านะ่ะเสร็จหมดนะพระพุทธเจ้าไม่ได้ลุกมาว่ามาต่อว่าใครนะแต่ท่านสั่งไว้ด้วยพระพเจ้าสั่งพระสั่งพวกเราเนี่ยว่าอนุปวาโดเวลาไปเทศไปสอนไปเผยแพร่พระศาสนา อย่าไปว่ารา้เขาอันนี้แตมาไม่ได้ว่านะเล่าให้ฟัง <laughs> อนุบวาวดูอย่าไปว่ารา้เขาอนุปคาโตอย่าไปจองล่างจองผ่านเขาแต่ที่พูด้เราหว่างเพราะพวกเราส่วนใหญ่ในนี้เก้าสบเปอร์เซนต์ทอาณากันมาห้าสิบบวกเนี่ยแตมาวันนี้ครั้งที่หกสิบเท่าไหร่ ห5้ามีสิบเปรมีประมาณแปดสิบเก้าที่ทำมาแล้วห้าสิบบวกมันเท่าไหร่จำไม่ได้ทำจนจำไม่ได้อะเพราะฉนั้นเรื่องนี้จึงต้องพูดกันบางคนมาถึงนั่งสมาธิเออหลวงพ่อทำไมนั่งตั้งนานไม่ใสเลยอะ่ะมึงจะเอาอะไรใส่ จะเอาอะไรให้มันใสโอ๊ยทําไมวันนี้ไม่ใสเลยไม่ใสไม่ใสมันจะใสตรงไหนมันจะต้องใสยังไงมันจะต้องใสด้วยศีลเป็นเบื้องต้นก่อนถูกป่ะต้องใสด้วยศีลเป็นเบื้องต้นก่อนถ้าไม่ได้ใสด้วยศีลน่ะแล้วมันจะไปใสอะไรอ่ะ เนี่ยเรื่องเหล่านี้มันจึงต้องพูดกันถ้ารุ่นพวกเราไม่ได้พูดเรื่องพวกนี้มันจะพาก็าไปลึกๆไม่ได้วังดูนะเราคุยกันเนี่ยต้องเข้าให้ถึงสาระที่พูดให้ได้เหมือนอย่างบอกให้เข้าไปถึงรูปนามก่อนรูปนามกายใจก่อนรูปนามกายใจที่แท้จริง ที่แท้จริงรูปนามกายใจที่แท้จริงมันคืออะไรฮะรูปนามกายใจที่แท้จริงมันคืออะไรในชั้นของการศึกษาและการเรียนรู้รูปนามกายใจที่แท้จริงนออรร vocabulary. ในชั้นของการศึกษาและการเรียนรู้คือรูปที่ประกอบด้วยธาตุสี่เห็นไหมรูปที่ประกอบด้วยธาตุสี่ธาตุสี่มีอะไรดินน้ำลมไฟ แล้วเราปักเข้าไปตรงกายตรงใจของตนเองอ่ะเวลาเราปักมาที่กายที่ใจของเราปักมาที่กายเราปักไปทางไหนึเชื่ออะไรวะฮะฮะพัดพัดนามกุลอะไชื่อจริงพัดลีพบปิญโยโอ้ลีพบปิญโยพอปักไปที่กายพัดลีพบปินโยน่าลินรัฐอะไรวะบีจินวรา มันเข้าไม่ถึงธาตุมันเข้าไปถึงแค่นั้นนะ่ะเข้าไปถึงแค่ชื่อนะ่ยไพวันตีวตีอะไรก็อุดมฮะไพวันเรื่องอุดมมันเข้าไปแค่นี้และมันถึงกายยังไม่ถึงมันเข้าไปไม่ถึงพอลึกไปกว่าชื่อที่ว่านี่อีกก็ไปถึงโอ้ยผมหอกแล้ววุ่นวายเลทีนี้ เข้าถึงไหมอุย้ยตีดกาขึ้นอุย้ยหนังเหี่ยวอุย้ย เ, เป็นฝอยเป็นฝว้าเป็นกระเข้าไปถึงไหมไม่ถึงนั้นวิธีปักเข้าไปสู่กายสู่ใจมันต้องฝ่าด่านเหล่านี้ให้หมดมันเป็นยังไงก็ช่างมันแม้แต่เพศอายุชั้นวัยผ่านให้หมดเลยเข้าไปสู่กายประกอบด้วยธาตุสีคือดินน้ำลมไฟธาตุสี่มีดินดินคืออะไรมั่งอ้าวเข้าไปเลย อย่าไปที่อาการของมันนี่เราไปติดอาการเข้ามาละอาการอาการของผมอาการของหนังเข้าไปเลยผมขนเล็บควันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมา้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไสน้อยอาหารไม่อาหา ร, หารก่อ น, นี่คือดินใช่ไหมมาจับมาสักอันนึ่งกูก่อนนีเล่นเล่นในเรื่องของธาตุในเรื่องของกายนี่ยเเรียกว่ า, ารูปรูปกราบรูปกราบเคยได้ยินใช่ไหมรูปกราบ เป็นกลุ่มเป็นก้อนอันละเอียดในในดินที as, man, ่มันแยกออกมาเป็นชิ้นชิ้นชิชิชชิพระพุทธเจ้าทำให้เสร็อยางเสร็จแล้วเราเรียกกันว่าอาการอาการสามสิบสองเคยได้ยินเปล่าเคยท่องได้ไหมนั่นน่ะจำแต่อะไรก็ไม่รู้ของพระพุทธเจ้าไม่รู้จักจำ เก่งกะแต่ละคนท่องกันอของพระพุทธเจ้าผมขนเล็บควนนันหนังเนื้อผมขนเล็บกวนนันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยอในกระดูกมามหัวใจตับปางปอดไตปื้ดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก า, า น, นี่คือธาตุดินที่เป็นร่างกายของเราดีทะเล น, นองเลือดเหงื่อมันก้นน้าตาเปรี้ยวมันน้ำลายน้ํามูกไข่ขอมูดนี่คือธาตุน้ําที่เป็นร่างกายของเรา อ, อดินน้ําลมไฟไฟก็ลมก็หก ลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในท้ายลมพัดไปตามตัวลมหายใจเอาไฟควยที่ยังกายให้อบอุน่นควยที่ยังกายให้ทุตโสมควยที่ยังกายให้กระวนกระวายคอยที่ช่วยเผาอาหารให้ย่อยอ้นี้มันเรื่องของกายเรื่องของกายที่แท้จริงผอมาดูความเป็นจริงอย่างนี้ความเป็นหญิงเกี่ยวไหม <S <S เพศเกี่ยววา <S <S ไม่เกี่ยวแล้วชื่อนามสกุลเกี่ยวไหม วงสาคนาญาติเยื่อเถาเล่ากอเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวแล้วอย่างเงี้ยนะตรงต่อรูปต่อนามตรงต่อกายของตนเองมันพาดานไปหมดยังปลดเปลื้องภาระเยอะมากความเป็นผู้อำนวยการหายยังนายพลยศพลน้นพลนี่าไปไหมหัวหน้าพาไปไหม ไม่ดีถ้ามันเข้าไปไม่ถึงเนี่ยเข้าไปไม่ถึงกายมันไปติดตรงไหนเศษทีหัวหน้ า, าผัวมวยการยศชัน้นบรรดาศักดิ์อะไรตำแหน่งต่างๆกวาไปไม่ได้หรอพอตรงก็ไปสู่กายที่แท้จริงอย่างนี้แล้วมันกวาพฟาพาระไปได้เยอะเพราะบอกว่า นั่งคู่บาลังกายก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นคู่บาลังใช่ไหมมันไม่ใช่หัวหน้ามาปรับเปลี่ยนเป็นคู่บาลังไม่ใช่หญิงปรับเปลี่ยนคู่บาลังไม่ใช่ชายปรับเปลี่ยนคู่บาลังมันเป็นกายปรับคู่บาลังตั้งกายให้ตรงกายก็คือกายตั้งให้ตรงซื่อๆอย่างนี้ดํารงสติอยู่เฉพาะหน้าก็เอาสติมาไว้เฉพาะหน้า รู้สิ่งที่ปรากฏเหมือนกันไหมเหมือนกันปะเหมือนกันไหมเหมือนกันถ้ามันซื่อตรงและเหมือนกันตามที่พระพุทธเจ้าสอนสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็มันก็จะไงก็เหมือนกันเขาจึงมีการสอบารมไงพอสอบารมเจ้ถ้ามันซื่อมันตรงขึ้นมาปั๊บมันก็จะเหมือนกันคนที่ปฏิบัติด้วยกันมันก็รู้กันหมดอ่ะมันรู้กันหมดอ่ะ ส่วนไอ้พวกที่ว่ามันเข้าไปไม่ถึงตรงนี้มันไม่ได้ตรงนี้ผลมันออกมามันก็จะต่างกันเห็นสีเห็นแสงเห็นพระจันทร์เห็นพระอาทิตย์เห็นโน่นเห็นนี่เห็นนั่นและไอ้คนที่ไม่รู้ก็บอกว่าเอาอย่างงี้สิก็ต้องอย่างนั้นนะเอาอย่างองนี้ออกนอกเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งนั้นเพราะอะไรถึงออกนอกเรื่องเพราะตัวเองก็ไม่ได้ปร ะ, ประสบกับภาวะที่เกิดขึ้นตามลําดับความชื่อตรงต่อพระพุทธเจ้าไง นี่เราก็เลยต้องคุยกันในยามเชา้าปลุกให้ตื่นก่อน